อย่าดื้อรั้นเชื่อกิเลสจนไม่ยอมฟังเสียงธรรมตะโกนบอกจงรีบฟังรีบตั้งตัวด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมเสียแต่บัดนี้จะไม่เสียการเวลาไปเปล่าถามฟังปู่เทศโปรดคราวนี้เรากับฟ้าดินโฉมทีเดียวแหละสารชื่นใจไม่เสียชาติเกิดได้ดืมธรรมที่ปู่เทพโปรดบัดนี้อย่างถึงใจแต่ยังมีข้อสงสัยอยู่นิดๆปู่ขอได้โปรดเมตตาด้วยตอบโปรดอะไรอีกก็โปรดมามากต่อมากจนไม่มีอะไรจะโปรดแล้ว หรือแต่ขันที่หายใจเขมเหลาเมวหรอเวลาจะแตกดับอยู่เท่านั้นขอให้โปรโดเรื่องอะไรกว่างมาถามคําว่าบาบุญนรกสวรรค์นิพพานเหล่านี้มีอยู่โลกไหนกันแน่ภูตอบมีอยู่ในท่ามกลางแห่งโลกมนุษย์แต่ไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เปรตผีเทวบุตรเทวดาอินพรมไม่ใช่ต้นไม้ภูเขาไม่ใช่ดินน้ํามลมไฟไม่ใช่วัตถุแร่ธาตุต่างๆในโลกสมมตินิพพานมีอยู่ในวิมุตสถาน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 ดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านปฏิบัติและรู้เห็นประจักษ์พระทัยและใจมาแล้วมากต่อมากจนไม่อาจนับอ่านจํานวนท่านได้ท่านเหล่านี้แม้พระองค์และองค์เดียวไม่ไดถามกันและถามใครเลยใครเลยทรงปฏิบัติจิตภาวนาโดยหลักธรรมที่จะทําให้รู้ให้เห็นก็ทรงรู้ทรงเห็นและรู้เห็นขึ้นกับตนเองฉะนั้นการที่จะแก้ความสงสัยให้หายในบา ป, ปุลเป็นต้นนั้นต้องพิสูตรกันด้วยการปรับจิตใจโดยการปฏิบัติธรรม มีจิตภาวนาเป็นสําคัญจนรู้เห็นประจักษ์ใจแล้วความสงสัยแม้จะเคยครองหัวใจมาตั้งกลับตั้งกันหรือตั้งแต่วันเกิดก็ดับพูดลงในทันทีไม่ได้อ้างการเวลาที่เคยยืดฟรองหัวใจมาเลยเช่นเดียวกับความมืดแม้จะเคยมืดมาตั้งกลับตั้งกันก็ตามเพียงเปิดไฟสว่างจ้าขึ้นเท่านั้นความมืดก็หายไปเองโดยไม่ได้อ้างการเวลาที่เคยมืดมาฉะนั้นการรู้เห็นบาบุญเป็นต้นตลอดสัจธรรมทั้งหลายก็เช่นเดียวกันไม่จําต้องมีการสถานที่มาเกี่ยวข้องและกีดกัน ความจริงเท่านั้นจะเปิดความจริงขึ้นมาให้ผู้ปฏิบัติจริงได้รู้เห็นความจริงที่มีอยู่ทั้งหลายได้ประจักษ์ใจโดยไม่อ้างการว่าสมัยโน้ตสมัยนี้เพราะทําเป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบันธรรมตลอดมาทาการไหนๆแม้สว่าขาธรรมที่ตรัสไว้ก็เป็นปัจจุบันธรรมสดๆร้อนๆควรแกการนํามาพิสูจน์สิ่งลีลับทั้งหลายซึ่งก็เป็นปัจจุบันธรรมเช่นเดียวกันได้อย่างไม่มีปัญหาที่เป็นปัญหาอันใหญ่โตใ น, ในหัวใจศัพท์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 ปู่และพระเนรในวัดนี้ก็ไม่เต็มพระเต็มเนรคงขาดบาดขาดสลึงไปดังคําตนิดแต่ธรรมวินัยของปู่และพระเนนไม่ขาดบาดสลึงปู่และพระเนนก็ไม่เดือดร้อนพระขาดบาดขาดสลึงเหล่านี้ก็เห็นอยู่กันสงบสุขดีนี่ไม่เห็นดิ่นรนกรวนก歪อันเป็นลักษณะพระเนรบา่บาวบาบเพราะขาดบาดขาดตาเต็งเลยตําหนิก็ให้เขาตําหนิไปทําบาปทุจริตก็ตามนิสัยของเขาแต่เราอย่าตำหนิอย่าทากับเขาก็แล้วกันจะกลายเป็นคนเกินบาดก็จริงจะไปกันใหญ่ ลองคิดดูก็แล้วกันสมมุติว่ามีเงินจริงตามกฎหมายรับรองอยู่ห้าบาทและมีเงินปลอมรวมอยู่ด้วยสิบบาทหลานจะเอาเงินจำนวนไหนเอาจํานวนเงินจริงห้าบาทปู่ทําไมไม่เอาเงินจํานวนสิบาทเล่ะไม่เอาเพราะเอามาแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรดีไม่ดีถูกเขาจาับก็ยิงจะเป็นโทษใหญ่เพิ่มเพิ อ, เพ อ, อีกส่วนเงินจริงได้มาเท่าไหร่ก็สําเร็จประโยชน์ตามจานวนของมันทั้งไม่เกิดโทษแต่อย่างใดมีมากเท่าไหร่ยิ่งดีนี่แหละหลาน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 ราคะันหาไปนานแล้วบาปต้องไม่มีเพราะถูกการทําชั่วทุจริตสังหารเอาเกลี้ยงสัตว์โลกไม่ไม่ต้องมีทุกมีบาปติดตัวนรกก็แตกถูกกิเลสทําลายหายสูญแต่ความจริงไม่เป็นเช่นความเสกสรร น, นั้นต้องเป็นความจริงตลอดไปไม่เป็นอื่นเพราะความจริงไม่เคยเป็นน้อยและอยู่ใต้อานาจของผู้ใดฉะนั้นธรรมจริงเป็นธรรมเสมอมาไม่มีอะไรหลบลางได้ด้วยเหตุนี้หลานปู่จงเป็นหลานปู่อย่าเป็นหลานชั่วหลานทุจริตทาลายบาปกรรมและมอดนรกให้แตก ได้อย่าเป็นหลานของความโลภมากได้เท่าไรไม่พอเที่ยวโคดโกงทุจริตรีด้ายด้วยเหลกคนต่างๆเวลาตายสมบัติปลอมกองมาถือมาท้าปูเขายังจะตามเผาผลาญเข้าไปอีกให้ลงนะรกหลุมไหนใครๆไม่อาจมียางทราบได้จึงรีบระวังตัวกลัวบาปเดินตามจอมปราบผู้มีปรีชาญาณอันแหลมคมเสถีย่บัตรนี้ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีเป็นสุขใจเวลาตายไปก็เป็นสุข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 ไม่มีใครฉลาดแหลมหลักนักปราชาติอาชาในมองเห็นการใกล้และการไกลยิ่ยงกว่าพระ เ, เจ้าจงยึดท่านเป็นหลักชีวิต จ, จิตใจอย่าได้ลดลาปล่อยวางจะเป็นสิริอุดมมงคลแก่หลานเองและส่วนรวมไม่มีประมาณปู่นี้แก่มากแล้วไม่นานก็จะตายลูกหลานจะได้สืบศาสนาไปนานโลกจะไม่ว่างจากความสงบสุขและความเป็นปึกแผ่นมั่นคงสืบๆกันไปเอาละขอจบเสียทีถามในธรรมท่านสอนพระว่า ให้ยินดีในความสันโดษมักน้อยดังในสันเลขธรรมสิบประการคระวา่าถ้าปฏิบัติตามธรรมสันโดษและความมักน้อยจะครองชีพไปตลอดไหมบางครอบครัวมีลูกมากญาติมิตรเพื่อนฝูงมากถ้าหาได้น้อยไม่พอกินพอใช้จะไม่เดือดร้อนแก่ครอบครัวเช่นนั้นหรือปู่ส่วนครอบครัวที่มีลูกน้อยคนผู้เกี่ยวข้องที่คุณเลี้ยงดูมีน้อยก็พอจำนานาไม่เดือดร้อนโปรดชี้แจงให้หายข้องใจด้วยเถิดตอบทำท่าน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 แม้สมบัติจะมีมากกองทับภูเขาทําท่านก็ออกมาได้ห้าว่ามาให้ยินดีพระมากเกินไปแต่ท่านห้ามไม่ให้ยินดีและสอเสแวงสมบัติที่นอกไปจะขอมีอยู่ของตัวต่างหากเช่นไร่นาที่เดินสมบัติภรสถานของตนมีเท่าไรก็ให้ยินดีเท่าที่มีนั้นเท่านั้นมาให้ไปเที่ยวยินดีในสมบัติของคนอื่นยิ่งเป็นเมียเขาด้วยแล้วทํามอยากโขแปะอย่าไปแยมเป็นอังขาดแม้แต่ปู่เองยังจะเป็นเพืจอคาดฆ่าคนได้โดยไม่ขาดคิดมาก่อนจะว่ายังไง ยังเหลือเพียงเส้นยาแดงเท่านั้นจะฟันคอคนให้ขาดสะบันและแล้วก็ตกนรกทั้งเป็นในตารางครั้งเข้ามาเป็นชู้กับเมียปูนะ่น่ะจงทราบว่าไม่มีอะไรจะเด็ดขาดและฉีบขาดเท่าใจคนเมื่อถึงเหตุการณ์และเวลาอันฉีบขาดแล้วปู่เคยประจักษ์กับตัวมาแล้วฉะนั้นจงเชื่อทำสันโดษยินดีเฉพาะเมียผัวของตัวเท่านั้นอย่าไปเย่อใยฝ่ายใจกับเมียผัวของเขาถ้ามาอยากคอขาดและเป็นผีไม่มีเจ้านะ่ะปู่จะบอกชัดๆอย่างนี้ ให้หลานๆพากันจดจำทำสันโดษกับความมักน้อยในหญิงชายไปรักษาตัวและปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดด้วยทำสองข้อนี้อย่าให้มันดิ้นได้เป็นอันขาดยิ่งอปิชาตาความมักน้อยด้วยแล้วยิ่งเหมาะมากกับครวาตผู้โลเลในราคาตันหายิ่มไม่เป็นนำมาปฏิบัติทำนี้ท่านใหยินดีเฉพาะคู่ครองคือผัวเมียของตนโดยเฉพาะเท่านั้นไม่ให้ยินดีใฝ่ายใจกับชายอื่นหญิงอื่นเป็นอันขาดทำท่านช่วยรักษาหัวรักษาคอของเราให้คงทนไปด้วยกัน ไม่ให้หัวกับคอพลัดพลากจากกันด้วยคมมีดค้งกวานเพราะความมากมากอยากไม่มีวันอิ่มพอทำลายปกติมนุษย์หญิงชาในโลกมีหลายปากหลายใจก็มีปากเดียวใจดวงเดียวนั่นแหละแต่มันกินไม่เลือกเราก็มีร้อยปากพันปากอะไรอะไรก็จะกินก็จะกินอะไรอะไรก็จะเอาก็จะเอาไม่มีคาว่าท้องเรามีท้องเดียวปากชนิดตันหาถือบางเขียนกระตุกเชือกนี้มันไม่คานึงถึงท้องและเหตุผล ใ, ใดทั้งสิ้น มีแต่จะกินให้สมอยากปากดาให้สงกับความเครียดแค้นโมโหท่าเดียวใจก็มีใจเดียวนั่นแหละแต่ความคิดความอยากมันผลักดันให้แตกแหนกออกไปเป็นหมื่นเป็นแสนใจจนไม่สามารถคัดเลือกได้ว่าความคิดนี้เป็นดีความคิดนี้เป็นชั่วเพราะมันกลมกลืนกันจนมองหาตัวจริงใจจริงไม่เจอโน่นจึงต้องนำทำสองข้อคือความสันโดษ ย, ยินดีในสิ่งที่มีอยู่ของตนและความมักน้อยในอารมณ์แห่งราคขตันหามาปิดปากปิดใจไม่ให้มันดิ้นรนขนทุกข์มาเผาตนและครอบครัว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 จะได้ทำนี้ไว้ป้องกันตัวในเวลาฉุกเฉินเพราะเรื่องคนหลายปากหลายใจนี้นับวันมีมากถ้าไม่มีทำนี้เป็นยาประจําบ้านก็นาโกรจมูกพังเพราะหวัดประเภทนี้ชุกชมไม่มีฤดูการสถานที่เลยทุกวันนี้ทั้งไม่เว้นชาติชั้นวรรณะฐานะมีหรือจนคนเงือบคนโม่หรือคนฉลาดตลอดเพศวัยเลยต่างตั้งหน้าต่างตาส่งเสริมหวัดประเภทหน้าด้านสนานเลวนี้อย่างออกหน้าออกตาแถมยังว่าเป็นเกียรติอีกด้วยสิ่งเหล่านี้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 ใจที่หมดคุณค่าในธรรมที่มีคุณค่ามากย่อมทําได้ทุกอย่างบรรดาสิ่งต่ำแซมสามลายโดยไม่สะทกสะทานเวลาผลของความต่ําซ ม, มเกิดก็ไม่สะทกสะทานเกิดได้กับบุคคลทุกชาติชั้นวรรณะและเพศวัยไม่เลือกว่าเป็นบุคคลเช่นไรเกิดได้ทั้งนั้นไม่ลาเอียงขอแต่ทําลงไปเท่านั้นผู้จะแก้โรคหมดคุณค่าเหล่านี้ก็คือคนทําเครื่องแก้ที่ท่านสอนไว้ก็มีอยู่กับทุกคนที่จะนํามาแก้ไม่มีอะไรผู้ใดไ ด, ได้เปรียบเสียเปรียบถ้าตัวผู้ทำมายอมเสียเปรียบให้ตัวเองเพราะความไม่เอาไหน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 แลเมตตาเราเก่งกว่าพระเมตตาของพระพุทธเจ้าเคียวหรือจึงจะสามารถช่วยใ ค, ใครได้ทั่วโลกทั้งที่เขาไม่สนใจกับการช่วยเหลือได้ใดเลยนี่แหละหลานที่ศาสตร์ไม่ไปนิพพานกับพระพุทธเจ้าก็เพราะเหตุนี้พิจารณาเองเถอะอย่าให้แจ้งไปมากปู่แก่แล้วมีแต่ลมหายใจเขม็คเมวออยู่เท่านั้นเองถามขอบพระคุณปู่มากที่นี่หลานพอเข้าใจ ว, วิธีปฏิบัติต่อตัวเองและผู้อื่นได้พอประมาณ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 บางพวกก็ต่างนาต่างตาไปหาศีลหาธรรมจริงๆที่น่าสงสารแต่บางพวกก็พากันไปเที่ยวถากอากาศเปลี่ยนอารมณ์ในวัดแล้วก็เที่ยวจุนจ้านพูดคุยกันไม่อ้อมปากปล่อยตามอารมณ์ส่งเสียงเอื้อทึกครึกโครมทั่วบริเวณวัดจนลืมคิดว่าที่นั่นเป็นวัดและมีครูอาจารย์พระเนนบําเพ็ญธรรมอยู่ที่นั่นท่านอาจรําคาญได้คิดแต่ความสนุกสนานรื่นเริงไปตามลทัทธินิสัยของตนบางพวกก็ไปด้วยเสียงเล่าลือว่าท่านเก่งทางนั้นทางนี้แล้วก็ตื่นข่าว พากันไปเพื่อได้ของดีจากท่านมาอดกันเมื่อไปก็รบกวน ข, ขอนั้นขอนี้ท่านเมื่อท่านบอกว่าไม่มีก็ดือดร้อนเถียงท่านว่าท่านมีแล้วชาวซีขอจนหน้ารำคาญเมื่อไม่ได้ดังใจบางรายก็พานทะเลาะกับพระแล้วกลับไปก่อนไปก็พูดทิ้งท้ายในลักษณะบาดหมางสาบแช่งต่างๆว่าต่อไปจะไม่มาเหยียบวันนี้อีกจนวันตายพระอะไรอย่างนี้ขออะไรๆก็ว่าไม่มีไม่มีจะหวงไว้กินสมบัติอะไรก็ไม่รู้ ตามธรรมดาของพระผู้มีธรรมประ จ, จําใจอยู่แล้วท่านไม่เห็นอะไรยิ่งกว่าธรรมตลอดอิอริยาบถ ท, ท่านคิดฝากไฟใคร่ธรรมอยู่โดยสม่ําเสมอไม่สนใจและเผลอไผ่คิดไปโน้นไปนี้ว่าคนนั้นจะมาหาคนนี้จะมาเยี่ยมจะมาหรือไม่ก็เป็นเรื่องเป็นอัตยาศัยของแต่ละคนท่านไม่กังวลกับอะไรมากกว่าการสแสวงหาธรรมด้วยการปฏิบัติมีเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิภาวนาบ้างยืนรเพึงในธรรมทั้งหลายบ้าง ให้สติอยู่กับตัวไม่ปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปตามอารมณ์ท่านมีความสงบ ร, ระวังอยู่ทุกอิริยาบทนอกจากหลับเท่านั้นนอกนั้นเป็นท่าแห่ความเพียรเพื่อลากิเดสแปรกองทุกทังมลโดยตลอดท่านจึงไม่ต้องการสิ่งรบกวนต่างๆถามที่เขามาหาปู่มีหลายพวกดังปู่เล่าเรื่องของคนมาวัดทั่วๆไปหรือเปล่าตอบทําไมจะไม่มีมีดังที่เราไปฟังนี่แหละอยากพูดว่าแถบทุกวันไปบางพวกก็มาขอบัตรขอเบอร์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 เมื่อการฟื้นฟูกับการทำลายไม่สมดุลกันดังที่รูรูเห็นเห็นอยู่นี้ส่วนมากมักมีแต่การทำลายเพราะเป็นสิ่งที่ชอบและทำได้ง่ายไม่ว่าสิ่งใดเมื่อชอบใจย่อมทำได้ง่ายแม้สิ่งนั้นจะทำยากเหมือนสิ่งดีงามทั่วๆไปก็ตามทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับจิต ใ, ใจเป็นสำคัญถ้าลงใจได้ชอบและติดพันในทางใดสิ่งใดหรือผู้ใดแล้วการใกล้ชิดติดพันและการกระทำหากเป็นคู่เคียงคู่คูณกันไปเองเอาละปูเหนื่อยขอพักผ่อนขันที่ชราเต็มแก่แล้ว วันนี้เพื่อนๆ พ, พามาเยี่ยมปู่ทราบกิติศัพด์กิติคุณของปู่ฟุ้งขจรมานานแล้วเมื่อมีโอกาสได้มาหาทํางานทางนี้เพื่อนเห็นว่าเป็นคนชอบธรมธรมะธรรมเลยชวนมาจึงได้มีวัสนามากราปปู่มาหาทํางานอะไรปู่ถามตามแต่จะได้งานทําส่วนมากก็ชอบทํางานสูงบ้างนั่นแหละปู่ปู่ถามงานอะไรที่สูงน่ะงานราชการแผนกต่างๆที่นิยมกันก็ ง, งานที่กินเงินเดือนหลวง น่าแต่เป็นครูสอนนักเรียนขึ้นไปจนถึงนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นงานสูงส่งและมีเกียรติมากนั่นแหลที่นิยมกันว่าเป็นงานสูงและสูงส่งมากเพราะเป็นงานเด่นในแผ่นดินปลูกในหลักธรรมทางพทธศาสนาที่ท่านิยมกันมาประจำแผ่นดินว่าเป็นงานสูงส่งงานมีเกียรติสูงได้แก่ ง, งานที่ทำและการสแสวงหาด้วยความสุดจริตดุิธรรมไม่ช่อไม่โกงไม่ฉกลักพ้นจี้กดขี่รีดท้ายโคดโกงใครไม่ขอรับชั่นช่อราดเบียดบางหลวง เหล่านี้จัดว่าเป็นงานสะอาดเป็นงานสูงส่งเป็นงานมีเกียรติเป็นคนมีเกียรติสูงแม้ตาสีตาสาทําไร่ทํานา ท, นาทําสวนฆ่าไถขุดดินฟันไม้หาฟืนเผาถ่านมาขายก็เป็นงานสูงส่งเพราะทําด้วยมือสะอาดทําด้วยความสุดฤจจทธิธรรมไม่เบียดเบียนทําลายผู้ใดใครๆไม่รังเกียจไม่เกลียดชังนอกจากเห็นใจและสงสารกันต่ำๆกันหลานน่าจะคิดผิดไปเพราะไม่แยกแยะงานว่างานใดเป็นภัยเพื่อถูกหรือเพื่อผิด งานใดเป็นไปเพื่อสุจริตยุติธรรมหรือเป็นไปเพื่อทุจริตปิจัยมนุษย์และทำลายชาติบ้านเมืองคุณแยกงานดังปู่พูดไว้เบื้องต้นนั้นก่อนสิลานงานคดโกงรีดไถ่ช่อราดบางหลวงเป็นต้นนั้นคืองานต่ำงานไม่สะอาดงานสกปรกโรคเอดิงานเบียดเบียนทำลายงานที่คนรังเกียจทั้งแผ่นดินงานทำลายสมบัติและจิตใจมนุษย์หนักไปกว่านั้นก็เป็นงานทำลายชาติถล่มจมไม่ใช่งานที่สูงส่งและน่าชมเชยและน่าชมเชยสรนเสอร์อะไรเลย ความจริงโรคเขาไม่นิยมหรอกหากแต่ผูส้สกปรกพ่อมือและใจไม่สะอาดเขานิยมกันเองตั้งหา